เรื่องเล่าจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำเมื่อหลวงพ่อปานปล่อยผีกำราบพระลูกวัดไม่เชื่อฟังกันนักก็ต้องเจอแบบนี้เรื่องนี้มาจากหนังสือตายแล้วไม่สูญแล้วไปไหนโดยพระราชพรมยานตอนสำเวสีข้างวัดบางนมโคเมื่อวันที่22มกราคม2516ให้ชื่อเรื่องว่าผีในดวง ในดวงนี้เป็นคนข้างๆวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทำปืนลั่นถูกตัวเองตายเมื่อในดวงตายแล้วก็เที่ยวอารวาสแสดงตนให้ปรากฏอยู่เสมอต่อมาหลวงพ่อปานค่ะก็สั่งพระว่าผีเจ้าดวงอารวาสมากแต่ว่าความจริงมันไม่ได้หลอกใครหรอกเพียงแต่ว่ามันต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าหาคนช่วยเหลือจริงจังไม่ได้ ท่านจะช่วยเองโอกาสก็ยังไม่มีเพราะว่านายดวงยังไม่ได้แสดงตนให้ปรากฏเฉพาะท่านท่านสั่งว่าอย่าล้อเล่นกันนะเรื่องผีผีมันจะผสมเอาเรื่องของผีเจ้าดวงอารวาสต่อมาวันหนึ่งท่านจะเดินทางไปก่อสร้างที่เขาพระวง์ท่านไปพร้อมกับพระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพระสำคัญทั้งหมดเลยนะคะก็จะเหลือเพียงแค่พระลูกวัดบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้น ในเมื่อแมวไม่อยู่หนูก็ขนองเป็นเรื่องธรรมดาค่ะตอนกลางคืนทำเป็นผีหลอกกันบางคราวก็เอาอผ้าขมมาคลุมแล้วก็ส่งเสียงเป็นผีหลอกกันบ้างบางทีก็เขียนหน้ากา ก, ากทำเป็นผีแล้วก็ชูขึ้นตามหน้าต่างพระราชพรมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับพระเพื่อนอีกองคหนึ่งก็เตือนพระเหล่านี้ แต่อาจจะเป็นเพราะเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เป็นผู้บังคับบัญชาก็เลยบอกเขาว่าเรื่องนี้หลวงพ่อปานเตือนไว้แล้วนะพวกเราอย่าทำเลยถ้าขืนทำดีไม่ดีเจ้าดวงมันจะผสมแต่เขาก็ไม่เชื่อก็เล่นเป็นแบบสนุกสนานกันไปเมื่อเตือนแล้วเขาไม่รับฟังก็ปล่อยเขาหลวงพ่อฤาษีลิงดาแล้วก็เพื่อนพระอีกสององค์ก็เข้าไปอยู่ในป่าช้าตามสบายจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไป ไม่กี่วันนะคะก็ปรากฏผีเจ้าดวงอารวาสค่ะเมื่อพระหลอกกันเล่นหลายวันเข้าผีเจ้าดวงก็เริ่มผสมอันดับแรกพระบอกว่ากลางคืนเนี่ยนั่งฉันน้ําร้อนอยู่ในกุฏิเจ้าดวงก็โผล่ขึ้นมาทางหน้าต่างบ้างส่งเสียงเรียกทางด้านประตูบ้างขอน้ําร้อนกินบ้างขอน้ําตาลกินบ้าง วันแรกๆพระเองก็ยังคิดนะฮะว่าเป็นพวกเดียวกันต่อมาก็มานั่งประชุมรวมกันแล้วก็ถามกันว่าเอ้เมื่อคืนใครไปหลอกไปล้อเล่นกับท่านใครไปยืนทางหน้าต่างหรือว่าใครทำภาพผีพโผล่มาทางหน้าต่างบ้างพระทุกองค์ก็บอกว่าไม่มีใครทาแต่ว่าพระด้วยกันก็ยังสงสัยนะคะว่าบางทีพระด้วยกันอาจจะปกปิดกันก็ได้ ทีนี้มาคืนหนึ่งค่ะปรากฏว่าพระมานั่งรวมกันทั้งหมดแล้วละ่ะปรากฏว่าเจ้าดวงนี่โผล่หน้าเข้ามาทางหน้าต่างค่ะพระที่รวมตัวกันก็ตกใจค่ะคราวนี้รู้ตัวกันแล้วละ่ะว่าขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นของไม่ดีแสดงว่ากลัวขึ้นมาแล้วก็สรุปนะคะว่าคืนนั้นค่ะก็นอนรวมกันอยู่ในกุฏิเดียวกันนะคะจนวันต่อมาค่ะตกกลางคืนอีกก็ไม่มีพระไปสวดมนต์เย็นตามปกติ ต่างก็มารวมอยู่ที่กุฏิเดียวกันเจ้าดวงก็มาเคาะประตูเรียกเมื่อเคาะเรียกหนักๆเข้าพระก็ไม่ออกมาพอดีว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดํากับเพื่อนพระอีกสององค์ออกมาจากป่าช้าก็เห็นว่าเอ๊ะวันนี้พระเงียบสงัดดีก็เลยหาพระตามกุฏิไม่พบจนไปพบที่กุฏิสุดท้ายปรากฏนะคะว่าพระมานอนรวมกันอยู่ที่นั่นก็เลยถามไปว่าทําไมถึงมานอนรวมกันอยู่ที่นี่ไม่กระจายกันอยู่ประเดี๋ยวใครก็มาลักของสงฆ์ไปหมด หลวงพ่อปานก็ไม่อยู่ด้วยพระภิกษุต่างๆก็บอกนะฮะว่าจะไปแยกกันอยู่ได้อย่างไรในเมื่อเจ้าดวงมันอรารวาดหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เลยบอกไปบอกว่าก็ผมบอกพวกท่านแล้วหลวงพ่อปานก็สั่งแล้วแต่พวกท่านก็ยังขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชามันก็เป็นอย่างนี้แหละโบราณท่านบอกไว้ว่าถ้าเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัด พวกท่านพยายามหลีกทางจากผู้ใหญ่เรื่องเจ้าดวงเนี่ยหลวงพ่อปานท่านเตือนแล้วว่าท่านยังไม่มีโอกาสจะช่วยมันท่านก็ยังฝืนทำกันในขณะที่พูดคุยกันอยู่นั่นเองนะคะผีในดวงก็แสดงเดชมาเคาะประตูเสียงดังโครมครามค่ะแล้วก็พูดบอกว่าผมดวงมาแล้วครับใครอยากจะรู้จักก็เชิญ หลวงพ่อฤาษีลิงดํากับเพื่อนพระอีกสององค์ค่ะรู้สึกว่ามีอาการชินกับผีอยู่สักหน่อยหนึ่งเพราะเชื่อแล้วว่าผีมีอยู่จริงโดนผีหลอกซะจนชินทั้ง3องค์ก็พรวดพลาดออกไปก็เห็นเจ้าดวงเนี่ยวิ่งหนีค่ะก็เลยวิ่งกวดเจ้าดวงมันก็วิ่งไปทางป่าช้าทีนี้ก็วิ่งตามกันไปรวมทั้งพระทั้งหลายก็มีกําลังใจวิ่งตามไปด้วยพอไปถึงโรงศพที่เขาเก็บมันไว้มันก็วิ่งเข้าไปในโงรงศพพอดีก็เลยไปยืนล้อมกันแล้วก็บอกว่าดวง นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าอรารวาสอีกนะถ้าต้องการอะไรก็บอกชั้นหรือพวกชั้นฉันจะให้เธอการที่เธอทำแบบนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยศพที่นอนอยู่ในโรงนั้นมันก็เงียบค่ะไม่มีเสียงพูดก็เลยสั่งพระบอกว่านิมนต์กลับไปสวดมนต์ตามปกติเถิดท่านแล้วก็เวลากลางคืนยามว่างควรจะภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆซะบ้างก็ดีนะพวกท่านเนี่ยไม่เอาฐานเลยบวชเข้ามาแล้วแบบนี้มันก็ลงนรกหมด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 ถ้ามันจะแสดงอะไรก็ต้องแสดงกับผมสามองค์พอตกตอนเช้านะคะหลวงพ่อฤศีลิงดําค่ะก็ได้ถามพระทุกองค์นะฮะบอกว่านอนหลับดีไหมเมื่อคือนนี้พระทุกองค์ก็ตอบนะฮะบอกว่าไม่ค่อยจะหลับเพราะว่าวัดเจ้าดวงกลัวว่ามันจะมาหานับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะเจ้าดวงมันก็เงียบต่อมาอีกประมาณเดือนเศษหลวงพ่อปานก็กลับวัด หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเองก็ได้รายงานให้หลวงพ่อปานทราบท่านก็บอกว่านางตะเคียนไปบอกว่าลูกศิษย์เนี่ยไม่เชื่อฟังท่านแกก็เลยปล่อยให้เจ้าดวงมาปราบเมื่อคนพูดกันไม่รู้เรื่องก็ต้องปล่อยให้ผีสอนซะบ้างในวันนั้นเองนะคะเมื่อเวลาใกล้ค่ำค่ะหลวงพ่อปานท่านก็เดินไปที่โกดังเพื่อที่จะไปจําวัดตามปกติเวลาใกล้สองทุ่มท่านก็จะกลับมานะคะ หลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็เพื่อนพระอีกสององค์ก็ไปรับท่านที่โกดังแล้วก็ช่วยถือกาน้ําถือหมอนถือเสื่อของท่านเอามาเก็บที่กุฏิเพราะว่าท่านจะกลับมาจําวัดที่กุฏิพอไปถึงท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าข้าเก็บเจ้าดวงแล้วเวลาที่ข้าเดินมาเจ้าดวงมันโผล่ขึ้นมาข้างๆทางหัวมันเนี่ยนะใหญ่ยังกระองค์มังกรเจ้าดวงเองก็ยังได้มาถามข้าบอกว่าท่านจะไปไหนข้าก็เลยบอกว่าข้าจะไปนอน แล้วมันก็าหายไปพอเข้าไปนอนในโกดังมันก็โผล่หน้านอกประตูทำหัวใหญ่มากและต่อจากนั้นมันก็ทำตัวเท่าคนธรรมดาแล้วก็นั่งลงกราบท่านแล้วก็บอกว่าลำบากมากเลยท่านต้องการให้ท่านสงเคราะห์ หลวงพ่อปานก็เลยบอกว่าในฐานะที่เจ้าดวงมันเป็นสัมภเวสีเนี่ยช่วยง่ายข้าก็เลยอุทิศส่วนกุศลให้กับมันแล้วมันก็กราบสามหน์พอกราบครั้งที่สามัมนลุกขึ้นมาปรากฏว่าร่างกายของเจ้าดวงเนี่ยสวยงามมากแล้วก็บอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมันมีความสุขแล้วแล้วก็จะไม่รบกวนใครหลวงพ่อปานเองท่านก็ถามว่าเอง็งรบกวนเขาทาไมล่ะ เจ้าดวงก็ตอบว่าความจริงไม่ได้จะตั้งใจหลอกหรอกพระคุณท่านการที่ไปหาใครหรือทำให้ใครเห็นแล้วก็บอกว่าชื่อเจ้าดวงประกาศให้ฟังทุกรายก็เพื่อให้เขาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แต่หลายคนที่เขาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาก็ยังว่ายังกินจิบ้างอิมินาบ้างก็ไม่มีโอกาสจะได้รับเพื่งจะได้รับจากหลวงพ่อปานก็วันนี้เอง เพราะว่าหลวงพ่อปานท่านอุทิศส่วนกุศลให้สัมภเวสีก็ดีหรือผีที่มาขอส่วนบุญก็ดีท่านสอนว่าอย่าไปว่าภาษาบาลีให้ว่าภาษาไทยชัดๆแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเฉพาะบุคคลที่พึงให้ถ้าหวานศาสตร์คนที่มีกำหนักนิดนึงก็ไม่มีโอกาสได้รับหากให้เฉพาะเจาะจงเขาก็จะมีโอกาสได้รับ นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อปานนะคะที่มาจากปากกาของหลวงพ่อฤสีลิงดำค่ะได้จดบันทึกไว้นะคะเรื่องหลวงพ่อปานปล่อยผีกำหลับพระลูกวัดก็ในเมื่อไม่เชื่อฟังกันก็ต้องให้ผีสอนกันบ้างแหละนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะที่ได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังกันนะคะที่เว็บไซต์ board พ a ังจิต org ด้วยค่ะ เรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของหลวงพ่อจงนะคะเจอผีเจ้าที่ที่วัดช่างเหล็กค่ะวัดช่างเหล็กนี่อยู่ในเขตอำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าเราวิ่งเรือตามกระแสน้ำไปทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะอยู่ใต้จากหลวงพ่อจงไปไม่มากนักนะคะวัดช่างเหล็กเนี่ยวันนั้นเขาจะรื้อกุฏิหลังหนึ่งซึ่งเป็นกุฏิเก่าแข็งแรงมากก้าห้อง แต่ว่าเป็นกุฏิเก่าๆค่ะประตูหน้าต่างก็ไม่ได้กว้างอากาศก็ไม่ดีสมภารเขาจะรื้อแล้วก็จะทำใหม่ก็ตั้งท่ารื้อกันตั้งแต่ตอนเช้าพระฉันข้าวเสร็จก็นั่งทําพระองค์ขึ้นไปก่อนทานั่งร้านขึ้นไปเพื่อทําหลังคาพอกําลังจะรื้อกระเบื้องความจริงก็เพิ่งจะรื้อกระเบื้องได้แถบเดียว หรือว่ายังไม่เต็มแถบดีก็ไม่ทราบหลายคนด้วยกันพระด้วยคารวาส ด, ด้วยก็ถึงเวลาเพนพอฉันเพนเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าอาวาสก็สั่งพระพักว่าสักบ่ายโมงค่อยทําไปนั่งฉันน้าร้อนน้ําชากันในโบสถ์ระหว่างนั้นก็ปรากฏว่ามีลมพัดเสียงลมนิ่งอึงแล้วก็ด้านหลังวัดก็มีกอไผ่มากเลยนะคะเหลียวไปดูที่ไหนความจริงไม่ใช่ลมแต่ว่ามันเป็นเสียงควงกระบองของผีกลางวันเลยนะเวลากลางวันแสกๆ ปรากฏว่ามีผีตัวใหญ่สูงกว่ายอดไผ่อีกเดินข้ามยอดไผ่เข้ามาเข้ามาถึงบริเวณนั่งร้านที่เขากําลังรื้อหลังคามาถึงมันก็กระชากนั่งร้านพังหมดเสร็จแล้วมันก็เดินกลายมาทางโบส ท, ทั้งพระทั้งคารวาสทั้งลูกวัดทั้งสมภารบอกว่าเกือบไม่หายใจกลัวตกใจเกือบแทบช็อกตายแกก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วก็หายไปนี่กลางวันแท้ พอเรื่องราวผ่านไปทุกคนก็ไม่กล้าขึ้นกุฏิแล้วลงเรือข้ามฟากมาหาหลวงพ่อจงพอดีวันนั้นพอดีว่าวันนั้นหลวงพ่อหรือสีลิงดำที่เป็นคนบันทึกเรื่องราวนี้ไว้นะคะท่านเองก็นั่งอยู่ที่นั่นพอดีเพราะว่าไปหาหลวงพ่อจงบ่อยถ้าหากว่ามีธุระอะไรเองท่านก็มักจะให้คนมาตามถามว่ามีธุระไหมถ้าไม่มีธุระกลางวันก็ให้ไปคุยกัน แล้วความจริงคุยกับท่านก็ได้ประโยชน์มากเพราะว่าผลของการปฏิบัติหลวงพ่อจงเนี่ยท่านเป็นพระกรรมฐานปฏิบัติได้ดีมากท่านแนะนำอะไรบ้างตามสมควรในจุดที่สำคัญพูดถึงอารมณ์ของจิตก็มีประโยชน์แต่เรื่องนั้นไม่นำมาพูดในที่นี้นะคะพอชาวบ้านไปหาหลวงพ่อจงก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้หลวงพ่อจงฟังหลวงพ่อจงเองก็ชี้มือมาทางหลวงปู่ฤาษีลิงดาแล้วก็พูดว่าถามท่านมาหาดูสิว่าผีมีไหม ชาวบ้านทุกคนก็หันหน้ามามองซึ่งความจริงจเจ้าอาวาสวัดช่างเหล็กเนี่ยก็ชอบกันก็เลยบอกว่าเรื่องผีเนี่ยผมโดนมาจนเข็ดแล้วครับหลวงพ่อปานเคยสั่งว่าอย่าอวดเก่งกับผีอย่าอวดดีกับพระไอ้เรื่องนี้เรื่องจริงขอรับไม่ไหวไม่ไหวถ้าผีจะให้ผมสู้ผมไม่สู้แน่ถ้าผีเล็กนี้ผมยอมสู้แต่ผีใหญ่ผมสู้ไม่ได้เขาก็เลยถามว่าผีที่ตัวโตแบบนั้นเนี่ยเป็นอะไรกัน ก็เลยบอกว่าถ้าไม่ใช่ยักษ์ก็คงจะเป็นกุมพันธ์ท่านเวลาที่จะรื้อกุฏิเนี่ยคงไม่ได้บอกเจ้าของที่เขาก่อนกระมังเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้บอกขอรับ พอเห็นว่ามันเก่าก็เลยอยากจะรื้อซ่อมแซมแล้วก็จะทําใหม่ก็เลยบอกว่าไอ้ของที่อเรารื้อได้แต่หากว่าเจ้าของเดิมเขายังหวงแหนอยู่เขาอาจจะไม่ยอมให้เรารือ้อหรือถ้าอยากจะรือ้ออย่างชนิดที่เรียกว่าอุยไม่มีใครขัดคอก็เคยเห็นหลวงพ่อปานเองท่านบวงสวงก่อนเสมอว่าเจ้าของจะให้หรือไม่ให้ถ้าท่านให้ก็รือ้อถ้าไม่ให้ก็ไม่รือ้อหลวงพ่อจงก็เลยบอกว่านั่นเป็นความจริงผีที่มาเนี่ยเป็นยักษ์ลูกศิษย์ทาเวศสุวรรณ เขาก็ถามว่าจะทำยังไงถึงจะรื้อได้หลวงพ่อก็บอกว่าให้ไปตั้งศาลเพียงตาแล้วก็บอกเขาซะก่อนพวกเขาจะได้รู้เรื่องว่าเราจะทำอะไรถ้ารื้อมาแล้วก็ต้องทำให้ดีกว่าเดิมนะจะไปยุบของเขาให้เล็กลงไม่ได้นะเพราะว่ากุฏิหลังนั้นยังแข็งแรงอยู่ไม้ไร่ก็ยังดีอยู่ต้องทำให้สวยกว่าเดิมดีกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมหรือยิ่งกว่านั้นอย่าไปหาเศษหาเลย จากการเอาไม้ที่รื้อกุฏิของเขาเนี่ยไปเล่ขายไม่ได้นะซึ่งชาวบ้านที่มา ห, าหาหลวงพ่อจงเองแล้วก็ท่านจะเอาวาดวัดช่างเหล็กเองเนี่ยนะคะก็บอกว่ารับรองเลยว่าจะไม่มีการเอาไปขายอย่างแน่นอนว่าแล้วเขาก็เลยนิมนต์หลวงพ่อจงเนี่ยให้ไปบวงสรวงหลวงพ่อจงก็ชวนหลวงพ่อฤาษีลิงดําไปด้วยนะคะพอไปถึงวัดช่างเหล็กแล้วนะคะหลวงพ่อจงเองท่านก็ถามนะคะว่าจะทํายังไงดีล่ะ ไอชั้นเสียงมันก็ไม่ค่อยมีก็เลยบอกเอางี้ละกันขอรับบวงสวงผมทําได้แต่ว่าหลวงพ่อนั่งเป็นประธานการตกลงกับเ้าเป็นเรื่องของหลวงพ่อจงแต่ว่าการบวงสวงเป็นเรื่องของผมดีไหมครับท่านก็เลยบอกว่าอ่ะดีก็เลยตั้งพิธีบวงสวงกันซึ่งขณะที่บวงสวงนั้นเองนะคะความจริงตอนนี้หลวงพ่อเองหลวงพ่อฤศีเลี้ยนดำเองเนี่ยท่านก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังหลวงพ่อฤศีลิงดำนะคะท่านบอกว่าปรากฏว่า มีท่านผู้ใหญ่ถึงสี่ท่านคือใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาปรากฏกายขึ้นสี่องค์ตาคนนี้หลวงพ่อจงนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวของเขามันสูงมากเลยสาลานี่ทําให้ปรากฏแก่ทุกคนหมดคนทุกคนเห็นกันหมดโดยเฉพาะเจ้าวัดกับทายกที่รือกุติเนี่ยถึงกับนั่งก้มหน้านิ่งเห็นจะครามกระบองแต่ละท่านก็จะมีกระบองเหมือนกับพรองลูกเสือปรากฏชัด นั่นเป็นอนุภาพของหลวงพ่อจงนะหลวงพ่อจงท่านทําให้เห็นหลวงพ่อจงนี่เป็นพระอภิน ญ, ญาแค่ลําพังอัตมาคนเดียวคงไม่ไหวแน่ๆเจ๊งแน่นอนไม่มีทางเห็นคนเดียวเห็นได้คนอื่นเห็นด้วยไม่ได้หลวงพรร่อฤาษีลิงดํากล่าวนะคะพอเสร็จพิธีแล้วหลวงพ่อจงก็ถามให้เขาตอบหัวหน้าเขาก็ตอบว่าการทําอะไรไม่ปรึกษาหารือแล้วนี่จะทํานี่นะไม่ได้ตั้งใจจะทําให้ดีกว่าเดิมหรอกทําให้เลวกว่าเดิมจะยุบเล็กลง ไม้ของสงก็จะเหลือแล้วในที่สุดก็จะทอดทิ้งไปหรือเอาเข้าบ้านเข้าช่องไปจึงไม่ต้องการให้รือ้อถ้าหากว่าต้องการจะทำให้ดีกว่าเก่าใหญ่กว่าเก่าอย่างนี้ทำได้รื้อได้ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามนั้นเป็นอันว่าทุกคนที่รือ้อหรือที่จัดการก็ต้องถึงกับทุกพลภาพทุกคนแต่ไม่ถึงกับตายหรอกนะ เรื่องนี้นะคะหลวงพ่อจงก็หันมาถามจเจ้าอาวาสกับทายกทุกคนยกมือขึ้นพนมแล้วก็รับปากว่าจะทําตามนั้นนี่เป็นอันว่าเรื่องของวัดช่างเหล็กก็ขอผ่านไปนี้เล่าให้ฟังนะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจไม่ได้ว่าอะไรหลวงพ่อฤศีลิงดํากล่าวทิ้งท้ายนะคะขอขอบพระคุณข้อมูลเรื่องราวนี้นะคะจากทางเว็บไซต์พลังจิต .com ด้วยแล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์แอปเกจิคอมด้วยค่ะทีนี้มา พูดถึงเรื่องของวัดไซใหญ่วัดไซใหญ่นี่อาตมาจําไม่ได้นะว่าเป็นพศออเท่าไหร่ปีนั้นเขาฝังลูกนิมิตเขานิมนต์ไปเอารูปหล่อหลวงพ่อปานไปแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อจงไปแล้วก็มีอาจารย์เกิดแกไปหุงน้ํามันเป็นอ่าอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีไปหุงน้ํามันแจกแกคุยว่าน้ํามันของแกเดือดแล้วไม่ร้อนความจริงเครื่องสมุนไพรมันค่อนกระทะ ตามปกติเท่าที่เคยสังเกตถ้ามีสมุนไพรมากๆไอ้เจ้าน้ำมันเนี่ยมันเดือดง่ายไม่ทันเท่าไหร่หรอกมันก็ร้อนเดือดปุดๆถ้าเราเอามือจุ่มลงไปแล้วก็มันก็จะเพียงแค่อุ่นๆร้อนไม่มากแต่ห้ามเอามือถูกก้นกระทะก้นกระทะมันจะร้อนมากแต่ว่าท่านว่ามันเป็นวิชาการของท่านก็เป็นเรื่องของท่านไปขณะที่เขานิมนต์ไปเอารูปหล่อของหลวงพ่อปานไปตั้งไว้มีคนไปปิดทองปีนั้นปรากฏว่าได้เงิน 18,000 บาท กว่าจะหมดเวลานี่รูปหล่อหลวงพ่อปานนะหลวงพ่อจงนั่งลงณนะหน้าทองก็ได้เงิน 18,00 นเหมือนกันได้เท่ากันหลวงพ่อจงหัวเราะชอบใจใหญ่บอกว่าหลวงพ่อปานนั่งเฉยๆไม่ต้องทําอะไรก็ได้เงิน 18,000 บาทฉันเนี่ยลงณนะหน้าทองเกือบตายได้ 18,00 นโอ้ยฉันสู้หลวงพ่อปานไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นทีนี้ในระหว่างที่พักอยู่ด้วยกันเขาให้อยู่กุฏิสองชั้น อยู่ชั้นสองคืนหนึ่งอัตมานอนตื่นขึ้นมาประมาณตีสองงานเขาก็เงียบไปแล้วลิเกเอยละครเออยก็เลิกหมดแล้วไฟฟ้าจุดสว่างก็เดินไปซ่วมซ่วมก็อยู่ไกลกุฏิสักหน่อยผ่านหน้ากุฏิร้างไปหลังหนึ่งความจริงเป็นกุฏิสะอาดสวยแล้วก็เป็นกุฏิใหม่แต่ก็ไม่รู้ว่าร้างได้อย่างไร ขณะที่ขาเดินไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นขากลับมาทั้งๆ ท, ท, ที่ไฟฟ้าสว่างก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องครวนครางคล้ายกับเจ็บปวดอยู่ในกุติก็เลยเดินเข้าไปดูเห็นกุติใส่กุญแจพอไปถึงหน้ากุติเสียงนั้นก็เงียบไปแต่พอถอยห่างออกมาเสียงนั้นก็ครางอีก ซึ่งเป็นเสียงผู้หญิงเห็นกุติใส่กุญแจก็นึกในใจว่าเอ๊ะใครมันจะเอาผู้หญิงมาทํำมิดีมิร้ายในนี้กระมังคนเลวๆเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันเห็นกุติพระว่างๆอาจจะทําปู้ยี่ปู้ยําก็ได้ก็เลยหาทางเข้าเดินไปดูรอบๆเห็นหน้าต่างเปิดอยู่บ้านนึงก็เลยเอาไม้พาดปีนขึ้นไปดูบนหน้าต่างแล้วก็เข้าไปในห้องนั้นปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยหาคนสักคนก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตก็ไม่มี ของที่มีค่าก็ไม่มีเป็นกุฏิว่างเปล่าก็สงสัยว่าเอ๊กุฏิว่างอยู่ทั้งหลังมีงานใหญ่ๆแบบนี้น่าจะจัดให้คนพักทําไมจเจ้าอาวาสไม่จัดให้คนพักก็นึกสงสัยอยู่เหมือนกันทีนี้เมื่อลงมาห่างจากกุฏิก็ได้ยินเสียงครางอีกก็เลยเข้าใจว่าอีคราวนี้เนี่ยไม่ใช่คนแน่ผีแน่นอนก็เลยไม่ได้สนใจก็เดินกลับมาที่นอนพอขึ้นไปชั้นบนก็ปรากฏว่าหลวงพ่อจงเนี่ตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งคอย พอขึ้นไปท่านก็ถามว่าเมื่อกี้เนี่ยพบนักเลงโตใช่ไหมก็ถามว่าอะไรคอรับท่านหลวงพ่อเมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องใช่ไหมความจริงกุฏินั้นอยู่ไกลกันมากแกร้องไม่ดังนักถ้าคิดว่าหลวงพ่อจงได้ยินลราไม่ได้ยินแน่นอนแต่ว่าท่านรู้และท่านได้ยินก็เลยบอกว่าคอรับท่านได้ยินเสียงผู้หญิงร้องกระผมเข้าไปดูแล้วขอรับไม่เห็นมีผู้หญิงผู้ชายก็ไม่มีผู้หญิงก็ไม่มีคนก็ไม่มี แต่ว่าหน้าต่างกุติก็เปิดไว้อยู่นะครับหลวงพ่อไฟฟ้าก็สว่างถ้าบาังเอิญคนจะลงไปผมก็ต้องเห็นพอผมเห็นกุติใส่กุญแจผมก็เดินออกมาก็ยังได้ยินเสียงครวญครางอยู่เดินอ้อมไปข้างหลังถ้าเขาจะลงตอนนั้นผมต้องเห็นแน่เพราะว่าไฟฟ้าสว่างมากท่านก็บอกว่าดูไม่พบหรอกเพราะว่าคนที่ร้องนั่นเนี่ยไม่ใช่คนแต่ว่าเป็นนางไม้กุตินั้นก็มีเสาตกน้ามันไม่มีพระกล้าอยู่เขากลัวกัน ก็เลยถามว่าหลวงพ่อทราบได้ยังไงครับท่านก็เลยบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเธอไปซ่วมฉันก็เลยตามไปด้วยก็เลยสงสัยไม่เห็นท่านตามไปสักนิดหนึ่งเห็นท่านนอนหลับสนิทแต่ว่าความจริงอาจจะไม่หลับก็ได้หลับตาไว้แต่ตอนเดินตามเนี่ยไม่มีแน่ก็เลยกราบเรียนท่านหลวงพ่อตามผมไปยังไงขอรับผมเห็นหลวงพ่อยังนอนอยู่นี่เลย แล้วก็ไฟฟ้าสว่างคนทั้งคนถ้าตามผมไปผมก็ต้องเห็นท่านก็บอกว่าฉันไม่ได้เอาตัวไปหรอกฉันเอาใจไปฉันเอาใจตามเธอไปฉันก็เลยรู้เรื่องก็เลยกราบรียนท่านว่าเรื่องเสาตกน้ํามันเนี่ยจะแก้ไขได้ไหมท่านบอกว่าไม่ยากหรอกเป็นของไม่ยากแต่ว่าเจ้าวัดเขาโง่ปล่อยให้กุฏิร้างไปเฉยๆทำสีนิดเดียวรับรองเขาเสียหน่อยพูดกันให้รู้เรื่องพระเจ้าก็จะอยู่อย่างเป็นสุข ถ้าใครปฏิบัติชอบเขาอาจจะสนับสนุนให้รวยก็ได้นะขอบคุณเรื่องราวดีๆแบบนี้น ะ, ะจากทางด้านของเว็บไซต์ทีนิวส์ด้วยค่ะหมดเวลาของพระเจอผีแล้วนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่ฤาษีลิงดํานะคะท่านก็ได้เมตตาเล่าเรื่องราวที่ท่านได้ไปประสบพบเจอมากับหลวงพ่อจง แล้วก็หลวงพ่อปานนะคะคําพูดที่บีเล่าให้ฟังในคลิปนี้อาจจะงงงนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นาภาษาเขียนของท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะคะที่ท่านได้เมตตาเขียนไว้ในหนังสือเพื่อที่จะให้สิทธิอนุสิ์ของท่านได้อ่านในภายภาคหน้านะคะบี B. เองกอ็ไม่กล้าที่จะไปแปลงเป็นคําพูดหรือว่าเป็นอะไรก็เลย่าลอกเรียนแบบในการอ่านภาษาเขียนของท่านเพื่อที่จะมาเล่าถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วจเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ